สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชื่อเปียซูตอนที่474เรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามเพราะเจ้านของพระเจ้าปรากฏอยู่ในธรพระธรรมยอห์โบทที่17ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับซึ่งเป็นคําอธิษฐานของพระเยซูโปรดอย่าลืมว่าเป็นคําอธิษฐานที่ทรงไว้ซึ่งสอง่าราศีและมีคุณค่าสูงสุด และเป็นคำมติฐานที่ยาวที่สุดที่บันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีร์ขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดของเราพ่างครับเมื่อวานนี้ผมได้ค้างไว้อยู่ในพระธัรมฟริปปีบทที่สามข้อที่สิบนะครับข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในริดเดทเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนกับพระองค์ เราจะเข้าใจตอนนี้ก็คือต้องเข้าใจบริบทในตั้งแต่ข้อที่แปดครับพี่น้องครับผมยานข้อที่แปดที่พี่น้องฟังนะครับยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ท่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ําเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่งข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระ krit และอยู่ในพระองค์ตัวข้าพเจ้าเองไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อในพระ krit เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อข้อสิทธิ์ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระ krit และมีประสบการณ์ในฤทธิอานาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และร่วมสมคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์ เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากตายโดยทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็น NIV ฉบับภาษาไทยนะครับพิ่อนครับเราเข้าใจบริบทของข้อที่สิบโดยอ่านข้อที่แปดข้อที่เก้าข้อที่แปดข้อที่เก้านั้นเป็นความปรารถนาที่ท่านเปาโลปรารถนาที่จะรู้จัก คำรู้จักนี้มีความหมายลึกซึ้งมากครับท่านต้องการรู้จักในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจไม่ใช่รู้จักเมื่อเรา <c oughs> ผ่านโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์แล้วถึงตรงนั้นทุกคนจะรู้จักพระองค์แน่นอนเห็นชัดเจนแต่ทุกวันนี้ครับเราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกแต่ท่านเปาโลปรารถนาที่จะเห็นชัดเห็นชัด ยิ่งกว่าคนอื่นๆนะครับท่านอาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ผมพูดเพื่อที่ให้พี่น้องได้เห็นว่าท่านไม่ใช่เป็นความปรารถนาธรรมดาธรรมดาแต่เป็นความปรารถนายิ่งใหญ่มากจนกระทั่งท่านบอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูพี่น้องครับและโดยเห็นนี้เอง ข้าพเจ้าได้สระทุกสิ่งและข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเป็นหยักเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้ผลิตเพื่อน้องครับผมคิดว่านี่เป็นท่าทีของพวกเราท่าทีของอาจารย์เปาโลท่าทีอักขูดเปาโลท่าทีความปรารถนาที่อยากจะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น และท่านรู้ครับว่าการรู้จักพระเยซูนั้นก็คือต้องสละทุกสิ่งถือว่าทุกสิ่งเหล่านั้ น, น, นไรประโยชน์ครับเป็นเหมือนอยากยื้อเป็นเศษขยะเพื่อจะได้พระเยซูพี่น้องครับหลายในครั้งทีเดียวเราต้องการเงินมากกว่าพระเยซูแล้วต้องการชื่อเสียงมากกว่าพระเยซูแล้วต้องการอะไรที่เป็นของเราทำให้เรามั่นคงอุ่นใจ มากกว่าพระเยซูแต่ตัวซูปเปาโลนะครับท่านบอกว่าตัวเองนั้นไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาโดยบทบัญญตัติมีแต่ความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อเป็นความชอบธรรมซึ่งได้มาจากพระเจ้าและได้มาโดยความเชื่อตรงนี้นะครับก็คือความเชื่อแต่การรู้จักนั้นเป็นประสบการณ์ครับดังนั้นเองจึงเป็นที่มาของข้อที่สิบบอกว่าข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคิดและมีประสบการณ์ในฤทธิเดช ในฤทธิอนาจแห่งการคืนพระชนของพระองค์และประโยคต่อไปครับขอโปรดฟังดีๆนะครับเป็นประโยคที่เป็นวลีที่สำคัญและสวยงามมากทีเดียวร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ในการทนทุกข์ของพระองค์ปรารถนาอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเพื่อจะได้เป็นขึ้นจากความตายโดยทางใดทางหนึ่ง พี่น้องครับความปรารถนาที่ท่านอักขทูตเปาโลอยากจะรู้จักพระเยซูนั้นไม่ใช่รู้เพียงคอเท็จจริงไม่ใช่รู้ที่หัวสมองแต่มีความซาบซึ้งปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับฤทธิอำนาจในการเป็นขึ้นเหนือความตายของพระองค์โดยการมีส่วนร่วมในการทนทุกข์และเป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพชนของพระองค์ผู้เชื่อรวมทั้งถึงเราด้วย เราจะต้องมีส่วนในการสิ้นพระชนและการเป็นเส้นแห่ความตายของพระเยซูและท่านอัครูเปาโลกล่าวถึงประสบการณ์จริงครับในชีวิตนี้กับริกิอำนาจการเป็นเส้นแห่ความตายของพระเยซูก็คือเขาจะประจักษ์ถึงการทรงพระชนอยู่การช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเวลาที่เขาพบกับความทุกข์ยากลาบากและการทนทุกข์กับพระองค์นั้นถือว่าเป็นเกียรติครับเป็นสง่าราศรี เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้กับเขาแม้กระทั่งต้องใช้ชีวิตรแรกมาข้อตามพี่น้องครับนี่คือความสวยงามของคำว่าร่วมสามกีธรรมในการทนทุกข์กับพระเยซูพี่น้องครับเราคงไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของท่านอคครูดเปาโลชีวิตเราหากยังไม่มีความปรารถนาที่จะมีประสบการณ์กับฤทธิเดช นีประสบการณ์กับเรื่องราวการเป็นที่แหความตายนะครับความทุกข์ก็ยังไม่เกิดแหละครับแต่เมื่อไรที่มีความปรารถนาปุ๊บความทุกข์ก็จะเกิดเพราะว่าพระเจ้าจะส่งความทุกข์เพื่อที่จะเป็นการทดลองทําให้เรานั้นได้พบกับฤทธิเดชของพระเจ้าด้วยนี้นี่เองนะครับถามว่าเป็นความต้องการของเราไหมพี่น้องครับท่านอักทูต ต้องการรู้จักพระเยซูเราต้องการรับฤทธิดเดชเราต้องการรู้จักพระเยซูแบบนั้นไหมครับพระเนะพระเจ้าจะหนุนใจท่านอีกตอนหนึ่งก็คือหนึ่งเปโตัวบทที่สี่ข้อสิบสามหนึ่งเปโตัวบทที่สี่ข้อสิบสามแต่ว่าท่านหลายจงชื่นชมิดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคดเพื่อว่าเมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น ท่าทั้งหลายก็จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอันมากาท่านอัครทูตเปาโลคงมองข้ามช็อตครับเมื่อมีประสบการณ์ในฤาษีขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้โลกหน้าครับความชื่นชมยินดีก็เยอะแยะมากมายรอเราอยู่เมื่อพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้นเราทั้งหลายจะได้ชื่นชมยินดีเราทั้งหลายจะร่วมครอบครองกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระกัมปีตอนสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากกับพี่น้องในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมสองโครินบทที่12ข้อที่9และข้อที่10เป็นการรับรองจากพระเจ้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการทนทุกข์โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าครับแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธเดชของพระคริสจะได้อยู่ในข้าพเจ้าเหตุฉะนั้นพอเห็นแก่พระคริสข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการปฏทุสลายต่างๆในความยากลําบากในการถูกข่มเหงในความอัดอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นพี่น้องครับเคลื่นเตียนนั้นไม่ใช่มีความสุขเมื่อเจ็บปวดนะครับแต่มีความชื่นชมนดีเมื่อเจ็บปวดครับมีความภูมิใจเมื่อทนทุกภูมิใจในความอ่อนแอของเนื้อหนังของเราเพื่อริดเดทของพระคริสต์จะปรากฏชัดเจนด้วยความถ่อมใจด้วยความเจ็บปวดด้วยการทนทุก จะยิ่งเห็นพระคุณของพระเจ้าและเมื่อการพัทุสล่ายต่างๆในความยากลาบากเวลาถูกข่มเหนในเวลาอับจนเวลาอ่อนแอด้วยกําลังและฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นเหนือความตายที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นพี่น้องครับโปรดจันนะครับว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น อาเมนครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ย่ยอท้อท้อถอยเราจะยังมีกําลังใจต่อสู้ต่อไปแม้ว่าร่างกายของเราอ่อนแอแม้ว่าเราเกิดความเจ็บปวดแม้ว่าเรายากจนแม้ว่าเราลําบากแม้ว่าเราทุกข์ยากเราจะภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอเหล่านี้เพราะฤทธิเดชของพระคริสต์กาลังใช้แสง กำลังเติบโตงอกงามขึ้นในชีวิตของเราอาเมน